มุตั้งใจฟังงานโยมอตั้งใจฟังคือการับพวกเฮามันต้องมีจิตใจหนักแน่นการงานท่งทุกอย่างถ้าหากเขาบ ม, มีจิตใจหนักแน่นการงานก็ โบเดินครับโบกล้าวหน้าถ้าหาว่าจิตใจหนักแน่นหรือมีปมพอใจซบใจหรือรักในงานอันนั้นทำงานอันนั้นโบเมื่อยครับโบเมื่อยทำได้ยตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนตอนเช้า ต, ตอนเย็น เขาพอใจในการในงานของเขาจึงบอเมื่อยโบทุกถ้าหากเขาโ บ, บพอใจแล้วคือการงานนั้นโบเข้าหน้าเขาไปทำกับเมื่อยเพราะเขาโบได้รักงานานั้นโบพอใจในงานนั้นเมื่อยนกขมิดเหนื่อยมเมื่อยลามีแล้วที บทสำเร็จนะดังนั้นคนเรามันต้องมีความรักและความพอใจในการงานของเขาจริงๆที่ทำไดก้อนที่จะทําได้ก็ต้องมีการฝึกหัดดัดนิดสัยคนเรามันต้องมีการฝึกถ้าบกุกฝึกหัดดัดนิดสัยแล้วมันเป็นสันดานเดิม สันดานเดิมนั่นมันมีอยู่มทุกคุณบว่วสัตว์เดรซ า, าลหรือสัตว์มนุษย์มักชอบเป็นคนที่เกียดเกลียดค้านทำงานน้อยเล่นมากหนอนมากนั่นเป็นสันดานของคนเขลียดค้านเป็นสันดานของสัตว์ ถ้าหาคนใดรักการรักงานนี่กินน้อยนอนน้อยพูนยดน้อยการงานสิ่งที่เรา้อทํามาอันนั้นเรียกว่าดัดแต่งนิสัยใครกันเมิดทุกคนครับบอกว่ายิงบอกว่าสายบอว่าพระสงฆ์องค์นงครับเป็นนิสัยคนถ้าหากเขาได้ อยู่ดีกินดีนอนดีสบายใจทุกมันทุกข์ใจกิเลพมันไม่เป็นทุกข์ใจสติปัญญาเมียั้งดังนั้นเราไม่จึงว่าอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์เพราะอบอุจจนั่นเองเมื่อเราเห็นทุกข์รู้ทุกข์เข้าใจทุกข์แล้วเราจะพยายามปด เรื่องตัวเขาออกจากทุกข์จริงๆทุกนั้นเขาเข้าไปยึดมันเขาไปถือมันแบกบหากอยู่มันก็เลยถูกขครับถ้าหากเขาโบไปยึดโบไปถือมันโบแบกโบหากมันปงมันทิ้งผมทุกบกเกิดขึ้นมาท็เทีเมื่อวานนี้ มีผู้อำนวยการขขอมเจ้าบุคบุญให้จังก็จะให้ลูกน้องขาเจ้ามาแล้วต่อครังขาเจ้าได้อ่านหนังสือของพวกเทาแล้วขาเจ้ามีข้อสงสัยเรื่องการเจริญสติกับทำสมาธิ พวกหอกกระจำแล้มันดีครับอันนี้เป็นการพูดตอบปัญหาของคนกแก้ปัญหาของคนตัวเจริญสติเจริญสมาธิหรือทำสมาธินั้นโบต้องทำนะครับแต่่าเคลื่อนไหวให้มันหูมืออันหูมือนั่นแหละครับเป็นสติเป็นสมาธิคนหอาขันเคลื่อนไหวโบหูมือ ที่ไปทำสมาธิอยู่เท่าไ่กับบุมีสมาธิที่ไปนั่งภาวานาอยู่เท่าไรอะไรก็ตั้งสางบูมีสติเราเป็นบูฮุ้เมือ่อโตเลยดีครับภาษาธรรมะคนเรียกว่าโมหะภาษาบ้านเขาเรียกว่าหลงตัวลืนตัวบกกำหนดตัวเองดัะนั้นคนมันยึงทำไปตามใจสอบมัจกจิเฮ็ดเสียไเฮ็ดไป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 ตัวยู่เห็นไหมมนต้องนมีสติในเนื่องการทำการพูดนั้นจึงอบุคคลาดผิดจะมีคมลักตัวเองอยู่เสมอสอบในการงานของเขาสอบกิริยามารยาตของเาขาพราะเฝึกอย่างสั้นเนี่ยคนจีมันบกคอยสอบฝุกตัวเองก็ได้นิสัยตัวเองเมื่อไปทำการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเกิดบุคคใจ มีความทุกข์ความเสงี่ยมวนสมัยนี้ว่าควมเสงี่บ้านผมเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนสับสวนวุ่นวายเพราะบราฝึกหัดตัวเหางาเฮ็ดหย่างย่านเต็นต์เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาโบย่านน่ะมันเมื่อยครับมันเมือ่อยเพราะว่างานมันบบแล้วไปจากเธอเขาไปอยู่กับสังคมการเดือดร้อนเพราะว่าเหงาเอาใจใจเหงา ถ้าหัาเขาวางภาระทิ้งหมดทำงานเพื่องานซื้อๆ อ, อย่างที่ผมว่าทำงานเพื่องานผมไม่ทำงานเพื่อตัวเขาได้ทำงานเพื่องานรือทำเพื่อตัวฮากาแมนทำเพื่อเพื่อเพื่อนฝูงประเทศสานบ้านเมืองกาแมนทำซื้อๆนี่เป็นหน้าที่ของคนมันต้องทำงานทุกคนเพราะมันกินเรียกคนมันกินมันนอน มันไปหั่นมานี่มันเป็นนาทียังว่าหลักฝุกหัดไว้ทุกทุกคนก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เขาต้องพยายามศึกษาตัวหัวให้มากการศึกษาตัวหัวนะครับพันว่าเอิญศึกษาธร ร, รมศาตร์ดธรรมชาสตรของมันเป็นอย่างสั้นจังหว่าการฝึกสติไปทําสติทําสมาธิทํากรรมฐาน กับธรรมศาสตร์ของมันผมได้ทำมาแล้วเรื่องมูนีครับพอสมควรเรื่องพุโทโธธรรมโม阿拉หังพองยุกนับหนึ่งสองสามอาณาปานาสาติเป็นอยู่ครับสงบอยู่ศึกษาธรรมศาสตร์แบบนันกกุูกอยู่แต้มันบวกเขาใจแบบที่ผมจะนำมาเล่าสู่ฟังมือ น, นี้นั้น ศึกษาธรรมศาตรทำสมาธิกับธรรมศาสต์เป็นการเจริญสติกับธรรมศาต์คือมันเคลื่อนไหวโดยวิธีการรู้สึกตัวควมรู้สึกตัวนั่นแหละครับเป็นสติเป็นสมาธิเป็นธรรมศาตร์ของมันสั้นให้มันเห็นธรรมศาต์ของมันสั้นจริงๆครับโอ้ธรรมศาสตร์ของสัตว์ธรรมศาต์ของคน ธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอย่งซีเดนี่เขาก็เห็นเลยไอ้ดีเมืม่อเห็นอย่างซีสภาพการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างนี่ น, นะครับมันเป็นรูปมันเป็นนามมันเป็นทุกทุกจึงว่าทนไม่ไหวเพื่อนบ้านเขาไปเจ้าเป็นสอนว่าวทุกคนไม่ไหวมันทนไม่ไหวหนังอยู่ซื่อๆบ่ได้ครับเขาก็เห็นสภาพธรมรมชาติของมันเป็นอย่งซีนี่เขาก็รู้เลยแบบนี้รู้เลย เมื่อเห็นทุกข์และบุญก็เห็นสมมุตดหลุดรู้เข้าใจเรื่องสมมุพิพีเทวดานี่รู้จริงๆครับมันรู้มาจากธรรมศาสตร์ธรรมศาตร์อยู่ในธรรมศาสตร์สติปัญญาหรือธรรมศาสตร์ที่จะทําให้รู้บุนมีอยู่ในคนทุกๆคนบริเวณถ้าทําทูก ค, ร, ครับถ้าทําบุถูกบุญบุญนี่ไม่เป็น ดางนั้นเม็ดข้าวทุกเม็ดผมว่าเม็ดข้าวบรรทุนทางภาคกลางอาจจะเม็ดข้าวจะเป็นข้าวเจ้ากระสางข้าวเหนียวกระตาถ้าเป็นข้าวอ้วนข้าวเต๋งเป็นข้าวเปลือกครับเอาไปพเพาะไปปลูกแตกปิดทุกเม็ดออกหน่อมดทุกเม็ดถ้าไปเพาะไปปลูกใส่บนซุนบนย็นถ้าไปเพาะไปปลูกบนมันแห้ง บ่มันโบนมีน้ำอา จ, จียนโบออกก็ได้เรือก็นานออกกันได้ถ้าไปปลูกใส่บนเตาไฟบนหัวหนงังไฟไม่สาครับดังนั้นการฝึกการอบรมถ้าทําบทุกแล้วก็ทํานานครับเสียเวลาถ้าทําทูกแล้วก็ได้ผลดีครับเมื่อหูวจากสมมุติแล้วก็บบติดสมมุติในแท้ขยุกับสมมุติครับ อันนี้แสดงวายุกับการกับงานแสดงว่าทําการทํางานได้ทุกอย่างเท่ติฐิบุทุกย่างงานอันนั้นเพราะห้องหุ่จักสมมุติอันนั้นอย่างเดมันเป็นหน้าที่ของทุกคนทําอย่างนั้นสมมุติถีสมสมุติเทวดาสมมุติเปรสมมุติสัตว์เบลสารสมมุติอสุรกายสมมุติพระอินท์พระผมสมมุติมนุษย์ สมมุติพระอรเดีเจ้าก็คือกันทุกสมมุติแต่ว่าเป็นปรมัดเพราะจะว่าสมมุติบัญญัติและปรมัตดบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยะบัญญัตินี่จกสมมติบราณทั้งเป็นปรมัตดกันยังเอาสมมุติไปว่าแต่ว่าสมมุติอันนึงสมมุติขึ้น่ซื้อว่าซื้อสมมุติถีสมมุติว่าเซื้อที่จริงบเหิรบุมีตุนบุมีตุ คนได้บ่มีตาทิพย์บ่มเห็นผีใครๆครับเมื่อหูจักรูปนามนี้มีตาทิพย์ขึ้นมาโลกมีตาทิพย์น้อยๆเห็นลูกเขาจะโอ้ตาทิพย์อันนี้มันบ่ได้หมายถึงว่าจะไปเห็นผู้อื่นเห็นตัวเหาเบิ่งตัวเหาสภาพหรือสภาวะตัวเหาทำดีทำซั่วมันเห็นอันนี้พีโอ้เนี่ยตาทิพย์มันเห็นจริง หูทิพย์เหมือนฟังการพูดการพูดดีพูดชัวพูดอันใดของหูจักรนกุนเรื่องหูทิพย์โบมีตาทิพย์ไปมองเห็นตับไตไส้ปอดคนนั้นคนนี้โบเมนหูทิพย์คนไปนั่งเออเขานั่งอยู่ในคนว่าไปใกล้คนได้ยินอันั้นกับโบเมนะตาทิพย์หูทิพย์มันออกนอกตัวไปมันนึกเป็นคนลืมตัวไปซะ พระพุเจ้าสอนเยาวาท่านจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเถิดคันเฮามีสติอยู่ทุกเมื่อและจะไปเห็นคนอื่นได้บอกน้นกอก็ะโไปเห็นคนอื่นก็เห็นตัวเฮาแล้ยนี่เป็นวนันนั้นเมื่อหู้จักสมมุติแล้วก็หู้จักาศาสนาโลกศาสนาแปลว่าคำสังสอนของทานผู้ลู่จึงเอาศาสนามีร้ายอย่างเพราะเฮาหูจักจริง าศาสนา น, นี่คนได้รู้อันเดียวก็อามาสอนซ้อนเสหูคนฮัทคนจะมีการแก้ไขฝึกหัดดัดแปลงเพราะทุกคําสอนมาแล้วดิแสดง ก, การฟังนั่นจึงอยู่ว่าฟังแล้วก็เบิ้งตัวเขาเบิ้งตัวเขาแล้วก็ฟังคําพูดแล้วก็เบิ่งมือบึ้งเพื่อนเนี่เป็ น, นงานสัจจะโอ้ธรรมะศาสนานี่ยโบได้หมายถึงตัวหนังสือโบได้หมายถึงสัพพิสุลุป บสถ์หมายถึงบสถวิหารอย่างเดียวเด็ดมันหมายถึงคําสอนสอนโตคนโตจริงมันด้แค่คือโตคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาตัวพุทธศาสนานั้นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาต่าะๆดังนั้นศาสนาพีจึงมีศาสนาเทวดาก็มีศาสนาเลือกงามยามดีเป็นศาสนาทั้ง ม, มืดมูว แล้วศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนามหมามัทธิ์นาวากับสมัยนี้แล้วก็ศาสนาพุทธแต่ความจริงตัวศาสนานี่ยมันพูกสมมุติว่าไปซื้อถ้าหากเป็นปรมาภิษฐ์เรก็คือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาฝึกหัดดัดไม่ใส่เหาพูดกับธรรมศาสตร์นั้นเนตตัวพุทธศาสน า, ศาผมเข้าใจอย่างสี้ครับ เมื่อรู้จักศาสนาแล้วก็รู้จกนนะะัจกบาปเลยพอดีรู้จักบุญโหลยบาปคือยั้งบาปบาปนั้นถึงที่ทาบุญกฐาตมสร้างทําสัวพูสัวคิดสัวเป็นบาปโหลยบาปมันอยู่ขุนเหมือนว่าเห็นเป็นตัวเปวเป็นโตครับทําบุญกฐาตมสร้างนี่ครับมีเมาอยู่ทํากรรมฐานก็ตามทําวิปัสสนายุกตตามเป็นบาป เป็นบาปเพราะมันทำซัวพูดซัวคิดซั่วอยู่พวกนี้ครับอันตัวรูปกายอันนี้เนะี่ยตัวรูปตัวนามมันบุูุจักไว้ยังเอาไปเบิ่งแม่คนตายมันจินีนิจจิจินเป็นบอเอาเข้าไปให้กินมันกระโบกินเป็นเห็ดยังมันกระโบเ ป, เป็นทั้งวัดเป็นทอนไม้ทอนฝืนเป็นดินซื่อๆนี่นะครับเป็นอาหารของสัตว์ตัวจิตวิญญาณของเห็ดบอโบเห็ดแล้วที่เห็นดยังไง ตายแล้วไปใส่ผู้จิตวิญญาณโบรู้สึกแน่นี่แหละบาป บ, บุญมันผู้จักอยู่ที่ครับเพราะยว่ามีตาทิพหูทิพมันอยู่นี่ดิครับโบมีไก่จักน้อยที่เียมู่ผู้จักอันนี้แล้วก็มดสงสัยเรื่องผี่เรื่องเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเปรตสัตว์เด ร, รัจฉานตละขายนี่ผมัดเทะครับโบมีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายบ่โมสงสัยเลยครับการกระทําอย่างนี้เพราะธรรมชาติมันสอนให้เองรู้จักว่าทุกสุขรู้จักเองเพราะธรรมชาติมันสอนให้ดังนั้นศึกษาธรรมะจริงศึกษากับธรรมชาติจริจริงๆนี่นะครับผู้หญิงก็มีธรรมชาติเช่นนั้นผู้ชายก็มีธรรมชาติเช่นนั้นพระสงฆ์องค์เรงก็มีธรรมชาติเช่นนั้น คนรวยคนจนก็นมีธรรมศาตร์เช่นนั้นคนมันคือกันมดคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนคมิมลคนยวนคนลาวคนอินเดียก็มีอย่งนั้นครับแต่พระพุทธเจ้าเ ป, เป็นคนที่ทำจริงพูดจริงครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยซึ่งใดมันโบได้ประโยชน์แล้วทานเปลี่ยนหรุอเขาได้ยินหม ไปทํากับอาจารย์ได้สมบัติแปดบุญเปนถางเนี่ยก็เปลี่ยนรถหนีโ่โรถออกจากหันมาก็มาทําทุกข์กะกิริยาบุกินข้าวบุกินน้ําอันนี้ก็บบุญเปนถางเปลี่ยนรถไปเถอะสังตอนนินสัยคนมันต้องเปลี่ยนแปลงดัดที่มันทูกข์นิสัยกับธรรมชาติเป็นจริงจริงจนท่ามาทําทางจิตที่ครับแหน่คำว่าทําทางจิตจิตพาเห็ดหรือรูปพาเห็ุเหตุเนี่ยกระดอย ก็เห็นสนว่าก็จิตใจที่พาเหตุจิตใจก็าที่พาเฮ็ดมันทําดีทําชั่วแบบ น, นี้ก็ตัวสติปัญญาที่ควบคุมกายวาจาใจเนี่ยเมื่อสติปัญญาสมาธิควบคุมกายวาจาใจแล้วก็เป็นคนบนลืมตัวแล้วในขณะที่เขาลืมตัวไปเฮาเหตุไปซื่อนั้นอันนั้นลืมตัวได้บางทีเห็ุด้วยที่บุบิสติปัญญาให้ไปตามกิเลส กิเลสมันชอบอยู่กับสติปัญญาก็มีด้วยครับอเนี่ยให้หู้จักแบ่งสันวันนะกิเลสมันชอบอย่างไงมันซอบไปตามใจมันมันอยากเห็ดอยา่อยางมันเห็ดไป น, นะครับอื้อกิเลสกิเลสแน้นจริงว่ามันทุกเมื่อมีคนตําหนิแล้วปุ๊บยึกถือขันธ์ในกิเลสทุกข์บันดนี้สติปัญญาได้สติปัญญาในบุหาาัวซาเขารู้จักสมมติเลย เรารู้จักวิธีทําทุกแง่ทุกมุมแล้วนี่พเนาว o r รู้จักเลยเอาไปใส่กับการทางานในทุกอย่างธรรมะเนี่ยแต่ว่าให้ระวังแต่ว่าผมรู้นั่นมายถึงทผิดด้วยําคู่ถ้าทําผิดแล้วบ่มีโอกาสบ่มีเวลาคือเล็ข้านเนี่ยเนี่ยเขาเอาไปเพาะใส่ไปปลูกใส่เตาไฟแล้วบ่มีเวลาที่ได้ปุ่งงายแล้วบางทีไฟไหม้ซ้ําำ อันนี้คือกัน่ะทำให้เป็นนานๆนนก็ตายซ้ำกระมี้ครับมัมีโอกาถ้าไปเพาะใส่บนซุ้มใบเย็นได้ไหมคาวนนหนึ่บนน้นแตกดอกออกผลมาลูกจริงๆคนเฮอคือกันถ้าฝึกหัดดัดนิสัยดีๆแล้วอยู่กับผู้ที่สละผู้รู้จริงๆเนะี่ยก็ได้ประโยชน์จริงๆเป็นไปใช้กับชีวิตได้จริงๆ ยานั้นต้องหลักการหลักงานหลักคำพูดหลักหน้าที่ของเราทำงานจึงบอิ่บบวมือยคนใดบรักการบูรักงานแล้วก็มื่อ่ยิ่ทำในน้อยกว่าทำหลายเป็ น, ปนอย่างว่าวัตตะสงสารยืดเยานานเปน่าว่าคน ธรรมดาเขาที่มาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมดแดงไตขบดง้งอาบ้านขบมาเนี่อนวัตสงสารคือมดแดงไตขบดง้งนี่บโบมีทางออกวนเวียนอยู่อาจอันนั้นเป็นวัตะสงสารของคนบรูวัตะสงสารแบบพระพเจ้านี่โบมีทั้คนับนหมายถึงควมคิดในโลกุติมันคิดเืองสันตลอดเวลารัา เนี io, ่ยมันบอกไม่ตายเนาเข้าลงไปคุณเนี่ยอนิวตตะสงสารตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายโยชนะมันคิดนั่นเนี่ครับมันเกิดมันตายอนวัตตะสงสารในทางผู้มีปัญญาคันผู้บุรีปัญญาเนี่ก็ว่าตายเนาเข้าลงไปคุณแล้วตายแล้วบอกเกิดอีกตื้นตายแล้วไปตกนรกไปสวรรค์แล้วก็เคยมาเกิดอีกตื้นเนี่ย อันนั้นคนวัตตาสงสารคนที่บุญปัญญานั่นวัตตาสงสารคนมีปัญญากระหม่เถึงผมคิดมันคิดสมองปุ๊เห็นภาพอืมมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยววัตตาสงสารไม่ได้ต่างกันบัดนี้วัตตาสงสารที่มันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรนะบัดนี้นสมมุตดต่างคืน เป็นเจ็บใครได้ปุวยหรือเป็นอย่างกระทำสร้างนอนบัหลับโอ้ยนานหงนานแจ้งแทนนอสอยากให้หงให้แจ้งนี่ยสำหรับคนนอนบัหลับมนมกลางคืนมื่กลาคือซะว่าหลายคนเพรามันน อ, ม น, ามานอนบัหลับเนี่ยครับมันนานห้องนานแจ้งเมื่อยพลิกเลียนนั่นเลียนนี่บุบบกห้องหมูแจ้งจัดเจือโอ้ยปัญหาจีหงน้ะงผมว่า มันเป็นเงาสันบัดนี้ผู้ใดนอนหลับอยู่เป็นคนนอนหลับแพดเดียวหุงรถตื่นหนึ่งนึกสองตื้นนั่นน่ะหุงแล้วก็ไอ้หุงงายเทนนอกประวันนี่มันจึงผิดกันเงาสานคุณไม่ใช่ทําทงานมันผิดกันไม่ได้เป็นว่าเอิ้นวัตตะสงสารทั้งมื่อสําหรับผู้นอน บ, บัหลับนานๆหุงนั้นแก่คนนอนหลับดีอยู่ดีกินดีนั่นน่ะหุงงายเป็นเงาสัน บันนี้ำนำหบทางเขาเดินประกายไ่ถ้าหากว่าเขาาโบมือไอโบอิดพูดไปคุยกันไปโอ้ยหอนง่ายแต๊เดียวหอนโงทางมือนึ่งคือกันสิบสองชั่วโมงคือกันคนใดที่ไปแบกไปหาบมือไอ้สิโอ้ยนานหอนเท น, นอเปว่าแจ้ามจริงคากัน่ะ คนที่เมื่อยเดินไปคนกับหอดเข่ากันคนที่บ้เมื่อยเดินกไปคนแต่ว่าผู้ได้ไปยึดไปถือนั้นเป็นว่าหางยาวไก่เพราะคนเดินทางเหน็ดหน่วยเมื่อยล้าคนว่า ถ, ถ้าหากเขาบ้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปโดยความสบายพูดไปคุยไ ป, ไ ป, ไปรู้สึกตัวไปอยู่กับการกระทําของเขาไปแป๊เดี๋ยวกอนหม ด, ดสิบสองชั่วโมงนี่ปึ๊บเดี่ยวตรงนี้นครับจะนั่นจีว่าไทยหลัก การงานของเขาทุกอย่างคัะถ้าเขารักการรักงานของเราเาดียวโมดียินดีเหน่อยเหนื่อยมานะทำเพื่อคนสนุกดังนั้นธรรมธคําสอนของพระยนตร์สอนคนทุกชั้นทุกไหลทุกศาสตร์ทุกภาษาทุทกเพศจะเป็นเพศยิ่งก็ได้เพศ้ายก็ได้เป็นเพศใดไดหมด โมจำกัดสั้นวันนาดีชัวนี่อยู่กับบุคคลผู้ที่ทำเท่านั้นจำพวกกำหนดเสื้อสะอาดตะ ก, กุนง้างมันอยู่กับคนซื้อนี่เด้อครับโบเซอร์เสื้อสะอาดของพม่าเจ้าอยู่ในประเทศอินเดียคุณจะรู้โบนี่น ค, คนไทยก็รู้คนจีนก็รู้ฝรั่งเศสก็รู้อังกฤษก็รู้ อ, อมเมริกาก็รู้เยนมันก็รู้ คนยวนคนลาวคนคาเมนคนใดแล้วรู้มั้เพราะว่าธรรมะอันนี้มันอยู่กับคนทําให้ทุกขสุขมันอยู่กับคนต่างแต่ว่าคนนั้นมีสติปัญญาต่างกันเรื่องส่งตาดำดาข่าวต่างกันแต่ว่าเรื่องธรรมะนั้นแท้โมต่างกันจะน้อยแน่ครับถ้ารู้ก็รู้อันเดียวนะมั้งยกพระพุทธเจ้าคนก็รู้ธรรมะอันนี้ สาววกของพระเจ้าก็บลู่ธรรมะแบบนี้คนรู้เดือนนี่ก็บลู่ธรรมะแบบนี้เป็นจังหวะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเคารพพระธรรมเหมือนกันเคารพพระธรรมนั่นหมายถึงไปกล้าไปไหวอยู่บ่บไิบ้กราบเหม็นไหวอย่างหรอกเคารพพระธรรมก็หมายถึงการยู่กับการกระทำนั่นแหละบท่ทำผิดบ่พูดผิดนั่นแหละเพิ่อนเคารพพระธรม ร, ร, ะธรมเคารพเหมือนไหว เขาลบตัวของเฮานี่แหละทําดีพูดดีคิดดีอย่าให้ทุกข์เกิดขึ้นเพื่อนเขาลบโมไม่ไปกล้าไปวาอยู่นั่นอันจะกล้าไปไว้นั้นมันเรื่องหนึ่งาาเป็นวัตถูภายนอกคนมองเห็นตัวเขารบพระธรรมจริงๆนะั่นคือตัวเฮาเห็ดตัวเฮาเห็ดบอให้มันทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยเป็นว่าทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นอยังโยกก็อย่างวานะมันโอ้ เพยอดศึกษากับธรรมชาติของมันจ ร, จริงๆธรรมชาติมันสร้างให้แล้วยังมคุณนางฟังผมวาอยู่ีถไม่เนี่ยตอบให้ฟังเล ย, ย, ย, ยเป็นยังไงจิตใจของมคุเดี๋ีเนี่สื่อๆอยู่เอ้าผู้ใดเป็นยังไงมาไม่รู้่โมน่เป็นในจิตใจ เ ส, สื่อเส่เยอะไตุยังไหนให้มันนี่แหละเขาธรรมศาตรมันสร้างให้จริงจริงแล้วทําการทาาํางานจินได้บ่ขันมันเสื่อย่างเสียแล้วจีนจีบเมยบ่เนี่ยเรื่องยังบ่อยากเหตุยังบ่หยักศึกษาเป็นอย่างเพราะเขาบอกเข้าใจเขาบอกเข้าใจเมื่อเขาบอกเข้าใจแล้วก่ะเลยเกิดความโลูขึ้น ของน้อยนอยเนาะคำสอนของพระเจ้าสอนน้อยน้อยรูรูแล้วก็ของสบายสบายรูลดคองสั้นๆนนั้ดใจเดียวทวําได้รูจังหวะวัตตะสงสารยืยนยาวนานเพราะว่าคนโบรู้วัตตะสงสารเนี่คนว่าเือว่านอนโมลับมัไปยาวไป บันนี้ทางเยาวเ้าวันนี้คิดมีแต่เมื่อยมา ก, กันนานทอดนานถึงบันนี้ถ้าหาท่าเมืองศีอยู่เดือดบเหย้าวบาสับ้นโบยืน บ, บนเนยมันเสิรเสืออยู่นี่ลักษณะนี่แหละของวิชาพุทธวาวนศึก ษ, ษาบนศึกษตรู้แล้วก็ต้องสอนกันวนนี้พุทธศาสนาคำสอนของ พ, พุทธเจ้านั้นจ ะ, จะเจริญงอกงามขึ้นไปก็ต้องอาศัยบริษัทีวนี้ และประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยตามคำสอนของพระเจ้าหนึ่งอยู่กับต้องจเจริญมั่นคงถาวรไปบัดนี้ในทางตรงกันข้ามคำสอนของพระเจ้านั้นจะเสื่อมจะอันตรธานหายไปนั่นก็เพราะว่าบริษัทซีเนี่ยโบประพฤติดีโบปฏิบัติชอบโบอยู่กับพระธรรมวินัยนั่นเป็น โมปฏิบัติตามคำสอนขอ ง, ของพระเจ้านั้นจิบหายไปอาศัยบริษัทซีบริษัทซีน เ, นเนี่ยพูดว่าภิกษุภิกษุณีอุบาศกบสิตาเนี่ยันนี้ผมมาวา่าพูดเดียวบุริษัทซีเนี่ก็คือภิกษุกับอุบาสกบ่อยไหมผู้เดียวกันนี่บริษัทซีอันนี้อุบาสกกับผู้ชายเนี่ย ซูเนี้ป็นเกือบผู้หญิงอุปสิการแบบนี้บริษัทสองอันนี้ถ้าหากพูดทันสั้ น, อ, น, นอันบริษัทที่นั่นวาแบบผมว่า น, นี่ อ, อถึงอัดกิพิตหากผมเข้าใจว่าผูกคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะอาจใส่ขนจะเป็นผู้หญิงกับสร้างผู้สายปรตา่างบริษัทหนึ่งนั้นโบหูโบหูจักของจริงในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากประเทศไปสอน สอนคนคู่วไปให้เลยไปสอนไปให้เฮ็ุอย่างนั้นทําอย่างนี้เก็บตัวเองบูมู้จักจุดหมายปลายทางคนนี่แหละทําให้มันจิบหายครับบูมู้หัหกไปสอนนี่ครับเป็นครับงนี้บริษัทนี้บริษัทที่สองเหมือนนี่หูธรรมะแต่หากบูสอนคนหลบลี่ไปอยู่ผู้นึ่งผู่เดียวเนี่ บริษัทนี้ก็บททาให้เจริญและบททาให้เสื่อมเจริญได้สฉพาะตัวเราผู้เดียวเพราะเราบุญผูกอันตรายไปขานาซื่อบทเจริญคําสอนขอพระเจ้าบทเจริญบริษัทบริษัทที่สามบริษนนัทโบฮูบอสอนเฉยพนวา ซ, ซื่ออยู่ขนาดนึงถ้าหากเป็นอย่างกัน อยู่กินไปขนาดท้าบทเป็นพระเป็นหนึ่งก็กินไปขนาะดเรื่องการทําบุญให้ฐานนั่นนะโคจิ ว, วา่าทําบุญให้เลือกวัดจับบาสให้เลือกพระอันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านผมคนสอนที่เป็นเลือกได้ย่างไดของเห็นย่างไดเขาจึงหููจักบุหูจักผมบุหูจักพอเม่อสอนเราทำบุญให้เลือกวัดจับบาสให้เลือกพระเนี่ยบุหูจักเลยมีวัดแล้วก็ทําบุญไปร่วมพระแล้วก็เห็นก็ทําบุญไปร่วมผม บุคคลเรือกบริษัททีซีบันบนี้เข้าใจสราบซึ่งตึงใจตัวเองแล้วอย่างนี้นะคำสอนของุทธเจ้านโบ๊